ส่วนปัจจัยก็กที่จะพุงเขาไม่เขเท่าไรหรอกเขาอยากได้บุญนั่นนั่นของทานบุญคือทําให้ใจเราเนี่งสงบแห่ให้เขาจึงจะได้ไดที่จะพุงเจ้ากรรมเจ้าเวเรเขาต้องการบุญกุศลเขาไม่ใช่กิน ข, ข้าวกิน น, น้ำกินเงินกินทองกรรมที่จะใช้กรรมดีก็คือบุญ มันหนึ่งสองกรรมหนึ่งกรรมดีสองกรรมไม่ดีหนึ่งกรรมบาปสองกรรมบุญมันก็ตีความหมายได้หลายอย่างคำว่ากรรมกรรมมุกนาวัตติโลโกจัดโลกเป็นไปตามกรรมตั้งกรรมดีหรือกรรมชั่วเอาไว้นะมันมีปัญหาด้วยนี่ในโลกไม่สร้างกรรมดีก็เลยไม่รู้กรรมชั่วมันเป็นยังไงมันมีสองอย่างกรรมดี คือไม่เดือดร้อนทำอะไรลงไปไม่เดือดร้อนตนเองและบุคคลคนอื่นถ้ากำชั่วให้คนอื่นเดือดร้อนให้คนอื่นเดือดร้อนก็เลยไปกำชัว่วคนอื่นเดืดร้อน <c oughs> คนถูกท้ายก็เดือดร้อนหัแตาเราอีกแล้วนะอย่างสถานที่อย่างนี้ข อ, ของคำโบราณเอกสารเขาเรียต้องทำพิธีกรรม ภาษาอีสานกรุงเทพใชมัง่ายนั่งท่รนี่หาผ้าหวานง่ายนั่งท่ารนี่ก็แล้วลูกหลานที่มาผูกบ้านยุคนี้เจ้าที่กันว่ า, า, วาอีกพอคมหนึ่งเจ้าที่ก็เป็นนั่งท่รนี่ทรนี่คือขี่ดินสิง่ายเป็นไปนแต่ขีดินง่ายไปเพรได้เจ้าที่เจา้าพูนก็คือเราออแหละเรามาอยู่กเราทําคุณงานความดีก็เยอะ วัตถิบคุณงามคุณดีที่เราทําให้ขเขาเขาไปดีสังขุกหรืจิตตวินญาณทุกหมนทุกแห่งมีจิตตวินญาณแล้วแต่เราจะเสกสรรปัญญาขึ้นมาสติอุจจารสติโยคภูมถ้าเราเสกสรรขึ้นมาให้ยุ่งก็ยุ่งถ้าเราเสกสรรมาให้ง่ายก็ง่ายทําประสารโบราณสารว่างไงพูดลร้เป็นผีพูดดีเป็นเทวดาถ้าเทวดาเลี้ยงไม่ยากถ้าผีเลี้ยงอยาก ไปหาเลี้ยงให้ยุ่งทําไมล่ะเขาวทำไมถือทำไมผีปู่เจ้าแม่เปรยทับถือผีเจ้าทำไม่ดีขอกินนุ่นกินนี่เดี๋ยวทําไม่ดีไม่มีสว่างไม่มีไฟสร้างศาลตระกูมิแล้วก็ไม่มีไฟแล้วก็กินไข่กินหัวหมูหอวไก่กินผละมากล็ไม่กินนุ่นกินี่หาไปไว้หยุดไม่หยุดไม่ย่อนเราสร้างขึ้นมาไม่ใช่หรอ เสียอะไรไปก็เปลี่ยนน้ำมันขึ้นมาแล้วพระเจ้าลันพระเจ้าจึงไม่ให้ไปยุ่งให้ถือพระพุทธเจ้าเรานั้นถือพระพุทธศาสนาถ้าใจ้าพูดถ้าใจจะพูดพูดดีๆทําแต่ดีๆทําคุณงามคุมดีที่ตัวเรานี่ยเราเจ้าของที่ใช่ไหมเจ้าที่ก็คือเราเป็นเจ้าของที่แล้วเจ้าของที่ดินเราซื้อมาไม่ใช่เลยนะราก็ทําแต่คุณงามคุณดีนั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาแผ่ให้เขาไป จำไหมทานศีลธรรมทิทานศีลภาวนาหน้าที่ของญาติโยมผู้เจ้าสอนให้ทำในในี้คนเราก็ไม่ถ้อยทำไม่ไปวนบันหาทำพิธีอะไรต่ออะไรพูดพิเตียนตัวนั่นตัวนี้หาทำนอกหลักไปอีกแล้วไม่เป็นคัมภีร์พามคัมภีรสารพระภูมิไปแล้วนั่นออกจากหลักของพระพุทธเจ้าผู้เจ้า ไม่ไปทับถือนอกหลักพระพุทธศาสนาในหลักของพระพุทธเจ้าเรืนองของคนของการทําความดีระลึกในใจไหายในจิตในใจกราบไหว้ด้วยนิ้วมือกราบไหว้หาทําให้ใจมีความสงบนิ่งสงบให้ใจมีความสุขก็เป็นบุญแล้วนั่นใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าสุขเพลนยิ่งกว่าร่ารวยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่างั้นนะสุขเืลนยิ่งกว่าความสงบไม่มีฟังคําของพพุทธเจ้าที่ ทำงจิตจะงบดูลมวิธีกรรมของกูเจ้าเรียบง่ายแต่คนชอบยุ่งนะยุ่งแส่สายหาอย่างนู่นอย่างนี้พึ่งนุ่นพึ่งนิ่งพึ่งพูดพิษวิชาพึ่งสารประภูมิพึ่งสารประภูมิารพรพมบางคนนสร้างบ้านก็ได้เป็นหลังนะแสนแสนราคาสารประภูมิ <c oughs> จะสร้างมาทําไมภูมเจ้าที่ก็คือตัวเรานี่ฐานบืกใหญขใ่ของเราขี้ดุ่วใสของเรา ทำปฏิคุณงามกลมดีไม่ได้ซื้อทำคุงงามกลมดีไม่ได้ซื้อให้มีสมาธิก็มีเกิดปัญญามีความรอบรูปติดถูกดีชัว่วนั่ น, นเราไม่ทำคุณงามกลมดีจิตไม่นิ่งไม่สงบไม่รู้ว่ากลมดีคืออะไรไปกลมดีอยู่กับผู้ปีศาจไปเสกหาไปบนหา <c oughs> ไปไหว้หา <c oughs> ไม่ไหวหาจิตที่หัวใจทําให้ใจเนียงใจสงบก็มีความสุขแล้ว อุปรกรณ์เยอะแยะเดื่องทางโลกโลกกิจยะไม่สิ้นสุด แ, แต่ทางของพุณเจ้าสิ้นสุดนะทําคุณงามความดีเสีอย่างไม่มีปัญหานั่นแต่ส่วนมากเราก็ไม่ทําคุณความดีว่าความดีคืออะไรสินพูดได้แต่ไม่รู้ความดีก็ไม่เดือดร้อนตนเองและคนอื่นอย่างเขาจะเรื่อนจำไม่ใช่เขาทำความดีเหรอถ้าเขาไม่ทําความดีเขาไปทําทําไม ขอให้พ่นได้ดีนั่นก็ให้โกงได้ดีกโกงได้ดีขโมยได้ดีโกหกพูลมได้ดีน่นอันตรีตามใจไม่ใช่ดีของพระพุทธเจ้าดีของพระพุทธเจ้าคือคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนตัวเราก็ไม่เดือดร้อ น, นไปพป้นเขามาคนอื่นเดือดร้อนผลสุดท้ายเราก็เดือดร้อนจญาติพี่น้องก็เดือดร้อนหาเงินไปประ ก, กันออกมาเพราะอะไรออกมาอีกทำอีก ทำควบช่วยอีกนั่นไม่สิน้นสุดเรื่องของโลกนะถ้าทําตามพระเจ้าคําความดีเราสิน้นสุดคนอื่นไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อน น, นัา่าอภัาอยู่ที่เราขอให้แน่นหนักกันทุกคนทุกคนก่อนหลักก่อนนอนกาบสามขั้งก็ดูลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิมือจะไหวพระกวามก็ได้บูชาความก็ได้นาักาเรนักพุทธธรรมสังฆังวิปุจจะมาหังธมาสวากาโตสุสติปโน ก็ น, นั่งดูลงเข่าลงบอกลงเข่าลงบอกคืนละหนึ่งนาทีวันละหนึ่งนาทีทำํำไมจะทําไม่ได้ล่ะมันไปเกิดมาเคยทำไหมไม่เคยทำเลยทําบุญ <c oughs> เอาของไปถวายพระก็ว่ากรรบุญมันไม่ถูกต้องนั่นะ่ะของถวายพระของคานใช่ไหมพระเจ้าสอนให้ทานศีลภาวนา แล้เวเหลือนี่ยังคนไทยชาพุทธเหลืออย่างเดียวคือทำทานศินกับภาวนาหมดไปแล้วถ้าสองอย่างหมดไปแเราก็ยังนิดเดียวแค่นั้นจะได้ประโยชน์อะไรท่านสามอย่างต้องให้สมบูรณ์เสมอกันทานก็มีศินก็มีภาวนาก็มีก้อนเสาสามก้อนข้างหนึ่งเขาได้กินพระจ่ายทานอีกสองก้อนมอก็โตกลงจะตั้งได้ด้วย <c oughs> นี่ยังก้อนเดียวพอรอเหี้ยมไปไกลอีกแล้ว ต้องก้อนเจาตั้งสามตั้งสี่สางชีวิตดูได้นี่นทานสินบุญก็ให้มีวันสินมันทะสมัชานสินเข้าไปสมาธิดูลมข้อลมออกลมข้อลมอลกอกอน่ะตอนนี้รลมงพ่อกำลังสร้างเด็ดอยู่พุทธมามะกะมีโยมลูกศิษยอยู่ที่พระครสวรรค์จะพูดถูกฟัง บอกกับฉันหน่อยถ้าหลวงปู่เปื่อนแล้วฉันจะส่งสวายหลวงปู่เดือนละหนึ่งพันเห็นคิดว่าเขาจะห้ามหลวงปู่หลงปู่จะไปสอนเด็กเลยเขาจะเสียสุขภาพไปดีทำไ้เขาตัวเตี้ยเข า, ข า, ข า, ขาไม่เห็นว่าเลยนะ น, นมโมทนาสาธุหลวงปู่นโมทนาสาธุหลวงปูงป่คิดว่าก่อนจะไปอังกฤษว่าจะ ไ, ได้ไ่น้อยจาสกสิบคนนะเด็กพระศาสนาสิ้นแต รายงานไปังจีบบอกว่าถึงไล่หนูล้มปูบเด็กเก็บขวาถึงสิบแปดเขารับภาระจัดรักษาสินแปดตลอดเรียนจบไม่ใช่วันเดียวนะสิงแปดใช่ไหมแต่เร า, าสินห้าก็ยังไม่มีเลยว่างไงเด็กเขาองไม่รับได้ ถ, ถอนคนเท่าคนแจกวันพระเรายอม ผมยุ่งตอกไงได้ไหมยุ่งอะไรอยู่ที่เฉลเข้ากันในหลวงทําให้เข้าเต็มทุ่งไร่ทุ่งนาเหลืองเออเในหลวงเกี่ยวให้มันเรียกไปทําบุญวันพระรักราชินีผมยุ่งจะเอายังไงอีกินจะไปทำเมื่อไหร่ผู้เจ้าสาวหาสินะทำมาสอนคนเราเป็นคนไหมทาไมทําไม่ได้สิ่งที่ทําไม่ได้พระพุทธเจ้ามันสอน ไม่มีปัญญาที่จะตอบกิเลสกิเลสห้ามไปหมดแล้วไม่ให้ทำไม่ให้ทําฉันไม่มีบุญฉันทําไม่ได้ฉันยุ่งฉันยุ่งถ้ามีจีตไรเฉียงกิเลสทําไม่ได้ยังไงเรามาได้บุญหลวงครูเจ้าสอนคนเราเป็นคนไหมล่ะตุ้งจี้ก็หมาตัวเราถ้าเป็นคนก็ต้องตามพุณเจ้ามันไม่ตายหรอกไม่ใช่ทําทุกวันเจ็ดวันรักษาสิบแปดไม่ใช่ไม่ให้กินข้าวให้กินไปเลย มันเหลือเฟือแล้วเรื่องร่างกายแต่งร่กายรักษาร่างกา ย, กาากายหาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอมาเรื่องของบุตของนเน่าดูจากไหนร่างกายเป็นของบุตรของเน่ารักษาร่างกายไม่เที่ยงเกินแล้วแก่เก็บตายเกินแล้วแก่เก็บตายไม่ได้กินเหือเสียงพระพุทธเจ้าร้องดีได้หัวใจจะรักษาได้ที่ไหนได้หมอดีเท่าไหร่รักษาหายแล้วก็คือยังตายเพราะแม่ปู่ย่าจะจ่ายไปก่อนแล้วก็รักษาเหมือนกันทําไมไม่หายล่ะ ก็ควจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละของพู้เจ้าแข็งขันร่างกายไม่ใช่ของเราของโลกยืมโลกไม่ใช่ดินน้ําลมไฟธาตุใจจะเป็นตัวของเราคือใจใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ไม่ดูไม่แต่งไม่รักษาไม่เลี้ยงใจไม่ให้อาหารใจอาหารใจคือลมลองถามเขาไปดูสิถ้าลมไม่มีใจหนีแล้วทําไมไม่ดูล่ะอาหารใจทําไมไม่เลี้ยงเราทาไมไม่ให้อาหารใจบ้างให้ทำไมของปูดของนองให้เท่าไหร่ก็แก่ก็เจ็บตาย ามาปดกดาผมวูดด้นแจผมหอมคืยอยงนนหอมลูกหลานเสือมหามาจากเมืองนอกคนน่ะหอมยูสบูหอมยูนหอ ม, หอมแต่ว่าโตขนบ่นนหอมยินก็ไปเมือนหนึ่งแค่ยงมีอหอมบันเดนหนังางสังเปไกลไล่ก็ไปกุ้งปูเสียวอยียงน่ะ <c oughs> มักดองแค่นะี้งับบัลลัเหม็นบัลลบุบล่ลละ มันก็เป็นจริงของเจ้าพ่อเจ้าสอนอย่างหนึ่งเราทําไปอย่างหนึ่งพอเรบอกว่าสองกระปงนะก็ะกมีเชื่อผู้เจ้าไม่ให้สชกกระปกเอามาประดับประดาเสื้อเต็มตู้อยู่ออกไปวัไนไดเขาขายซื้อซื้อซื้อื้อเศรษฐกิจแย่ค น, คนสิบคนโทรศัพท์การไกลสิบเครยงมือ <c oughs> สีสันเลือย่างไงมือสีมีอย่างไงรวยอย่างไงเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีแล้วแต่ีิหลส ข, ของเรามัน ใช้ใจเยอแะแยะไม่มีเมืองพอองนายหลวงว่าไงจงรู้จักคําว่าพอเพียงยินดีกับของได้พอใจกับของมี <c oughs> มีอะไรกรักษาที่เรามีมาแล้วขนตาขนคิ้วจะไปแต่งไหมผมจะไปแต่งไหมเห็นแต่ขนหมาล่ะแดงหัวก้อนหนึหน่งงอไปจนขนเป็นรอ <c oughs> ยตีบก็แดงผมสามหงอสามสีสีเล็บมือเล็บเดียวสามสีสี ขนตาดีๆไปหาตอไหมคือวื้อพิมีตาบนแหลกก็กตีมันแหลกขับมาัมาแปลเนาะสกปรกที่สุดคือคนนะเอาไปลอกเสื้อผ้าออกลองดูเลยในปา่าใี่ลง้วแต่วันเกิดมาไม่ตัดผมไม่ตัดเล็บมันจะยาวถึงไหนฮึคดดูนะเล็บไก่มึงขวดเชียมยังสั่นก็เป็นเล็บค้นมึงรู้บัดถ้ต่ึงตัดสามเดือนมึงก็ถึงใสแล้ว ่ตัดงสิบปีมันจะหอดใสไปแล้วจะเกิดมาหอดใสีริงเป็นตย่านยังยิ่งย่านคนสั์สารสินอยู่ใสย่านเหมือนสร้างอยู่ในป่าเอามะขีขงาได้เอามาขีข้อได้ใส่ก็เวียกอย่างนั้นเห็นบอกคนหนอเท่ทงคุณงามความดีไม่ได้โอ้ยเพราะฉะนั้นพยายามเนี่หนักนะ น้นภาคทำสมาธิแผ่ส่วนบุญกุศลเจ้าที่เจ้าภูมิอะไรพวกกิตติบินแานเมียไรใดเกิดรับบุญกุศลแล้วไปเกิดดีถึงสูหนือเฉพาะสถานที่นี้ราตนาหลวงปู่หลวงพ่อมาแผ่ตาให้เจ้าที่พระมิกิตติบินดนทั้งหลายทั้งปวงจงทราบด้วยยันติถรับบุญกุศลจากหลวงปู่หลวงพ่อตลอดตั้งออกตนญาโยมติี่นเจ้าของที่ก็ดีถงแล้ไปเกิดดีถึงสุงแล้วสถานที่นี้ออกตนโมลูกหลานจะทาเป็นธรรมาหาชีพที่อยู่อาศัย จงเป็นไตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองปัจจาจคุกโวปโรคภัยการงานจึงหดการเงินจึงใดจงสำเร็จจงสำเร็จจงสาดักสมดังความปรารถนาจงทุกสิ่งทุกประการเถอดเป็นโลาเว Tee tee t yo.